เพราะว่ามันจำเป็นต้องใช้ในส่วนไหนที่จาเป็นต้องใช้ก่อนให้เกิดความชัดเจนเกิดความเข้าใจก็จะลงรายละเอียดในส่วนนั้นแล้วก็เน้นย้ำให้เห็นความจำเป็นและความสำคัญของเรื่องรดอเฉพาะเรื่องสติสัญญายเน้นย้ำกันมากเพราะว่ามันเป็นหนทางเพียงทางเดียวพระพุทธเจ้าตรัสประกันเอกายานุมโค ดังนั้นพอมาเปลี่ยนเป็นปรับหนังสืส่นมุษเริ่มใหม่ามาเลยตัดบทเริ่มต้นออกหมดเลยบทเริ่มต้นเริ่มก่อ น, น, นก็เออเรเริ่มต้นด้วยเอวเมสุตังเอกันสมยังใช่ไหมสมัยหนึ่งพระปุมีพระภาคาีแต่พอมาเริ่มนี่มาปรับเอาส่วนนั้นออกมาเริ่มที่เอกายโนมัคคเลยเดูก่อนวิกสูทั้งหลายหนนี้หนทางนี้เป็นหนทางเพียงทางเดียว สตานังวิสุทธิยาเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของจิตขอ ง, ของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงโสกั บ, บริเทวนังสมติกมยะเพื่อการก้าวข้ามเสื่ซึ่งความโศกความร่ำไรลำพันธุขัตถุมนัสสารังอัถังขมยะเพื่อความที่ความไม่สบายกายไม่สบายใจจะตั้งอยู่ไม่ได้นี่อันนี้สงการเจริญสติ ญาตยสะสัธิกรมายะเพื่อการบรรลุธรรมที่เราควรที่จะได้บรรลุอ น, นิพานาสัจจิการธาายะเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งอ น, นิสงส์การเจริญสติมีถึงห้าประการนะท่านทีนี้ท่านก็อามากล่าวถึงเรื่องประการหลงัลงลงรายละเอียดบอกว่าพิจารณากายในกายมันมี6ประการประการแรกคนพิจารณาอะไร นี้อ า, าก็ไม่ค่อยชอบเกี่ยวกับใช้คําว่าพิจารณาเพราะมันเป็นเหตุใกล้ให้การคิดเอาตรึกเอาตรองเอาว่าพิจารณาแต่ในบาลีท่านใช้คําว่าอนุปัสนาท่านไม่ใช้คำว่าพิจารณาเดี๋ยวนั่งคำว่าอนุปัสนาเนี่ยมันไม่มีใช้ในสมนุนไพรเรามาแปลภาษาไทยว่าตามรู้ตามเห็นตามาศึกษา แต่เรามาใช่ ว, ว่าพิจารณาคำว่าอนุปัสนามาแปลว่าพิจารณาเนี่ยคจริงพิจารณามันจะคำว่าวิจารณ์วิจารณญาณวิจารณะคือวิจารณ์วิตุวิจารณ์เป็นส่วนหนึ่งของอจิตตะสังขารเรียกว่าจิตปรุงแต่งซึ่งมันไม่น่าจะตรงความหมายรามราก็หันมาใช้คำ ว, ว่าตามรู้ตามเห็นตามเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายและจิตใจของเราเรืออนุปัสนา เพราะมันจะคำว่ากายาบวกอนุปัสนาบวกสติปทานคําเต็มก็เป็นกายานุปัสนาสีปฐานพิจารณาตามรู้ตามเห็นตามเข้าใจร่างกายให้เป็นที่ตั้งของสติคําแปลที่เต็มของมันเราก็มาตามดูทีนี้เอาอะไรไปตามดูเจ้สติมาสัมปชันูอด า, าปีสัมปชนันสติมาเอาตัวนี้ไปตามดูซึ่งอธิบายไปช่วงเช้าแล้วว่า ให้มีความเพียรเครื่องเผากิเลสเมื่อวานเย็นนะมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติซึ่งเราสวดไปเมื่อกี้ว่ามีปกติทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการก้าวไปข้างหน้าในการถอยกลับมาข้างหลังเราก็ไปใช้หมดนั่นเลยนะแล้วก็สติท่านใช้คำว่าขัา้นตัวขัา้ชาติปฏิปานธติรู้เวลาเดินก็ให้รู้ชัดๆว่ากำลังเดินนะขณะนี้ นิสินโนวานิสนมิฮิปิฏิปิชาณติเวลานั่งก็ให้รู้ชัดๆว่าคําว่ารู้ชัดๆนี่หมายความว่าไงรู้ซื่อๆรู้ไม่ต้องรู้อะไรแบบ น, นั้นหรือเปล่าอันนี้คือคําว่าชัดมีความหมายตรงที่ว่าชัดคือหมายความว่ามันเป็นที่ตั้งของเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นที่ตั้งของเราแต่เป็นที่ตั้งของทํางานของไตรลักษณ์ที่ว่าเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้น ยีนร้อนอ่อนแข็งเพ่งตึงเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไปง่ยความยีนร้อนอ่อนแข็งเพ่งถึงเมื่อวินาทีม่กกี้กับวินาทีนี้คนละอย่างมันไม่ใช่อย่างเดียวกันมันตั้งแล้วก็ดับไปแล้วแต่ทําไมเรารู้สึกมันเหมือนเดิมก็เพราะความถี่มันสูงความถี่มันสูงเมื่อหลอดไฟที่เราเห็นเนี่ยเมื่อหลอไฟมันนิ่งแต่ความจริงมันเกิดดับตลอดเวลาระหว่างข้อลบกับข้อบวกใช่ไหมแต่เราเห็นว่ามันนิ่งเนื่องจากความถี่มันสูงมากๆ นะสามพวิต่อสามพันครั้งต่อวิอะไรเงี้ยในวินาทิวเดียวหมุนนึกสามพันครั้งมันก็ติดกันเป็นพืชเลยอันนี้เมื่อการความถี่ของการเกิดดับในร่างกายเรามีความถี่สูงเราก็รู้ว่ามันไม่เปลี่ยนแปลงมันก็ตั้งชั่วโมงมันหนักอย่างนี้ตาชั่วโมงก็เห็นมันหนักไม่เห็นมันเปลี่ยนแปลงที่เราอยากจะเห็นมันเปลี่ยนแปลงถ้าเราจะดูมันเปลี่ยนแปลงเองเนี่ยมันดูยากมากละเอียดเกินไปเพราะฉะนั้นเราต้อง สร้างการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาดูอยากจะเห็นว่ามันเกิดยังไงดับยังไงชัดเจนทายัางไงอยมพรรษาอยากจะเห็นความเกิดความดับหนักเบาเกิดดับชัดเจนทำยังไงถึงจะเห็นได้ชัดสร้า ง, างความรู้สึกตัวให้มีสถีย่ครับสร้างยังไงความรู้สึกตัว ื อ, อไม่เห็นยกเลยเลยก็ไอ้เห็นไม่บกยสร้างแล้วไม่เห็นสร้างแล้วจะเกิดรู้จักได้ยังไงเหสร้าง ไ, <c oughs> ไ, เงไปเรื่ยก็ได้กันอยากจะเห็นชัดแ ท, ทุกคนก็กำมือขึ้นเนี่ยอะไรเกิดหนักหรือเบาเแล้วก็ปล่อยหนักอยังอยู่ไหมแล้วมันดับไปไหน ท, ทันทีเลยใช่ไหมเบาก็มาทันทีเกิดขึ้นเวลาเร า, เรามีการกระทําเกิดขึ้นแล้วมีการหนักตั้งอยู่ไหมหนัก แราจะให้มันดับไปทำไงเราแค่แนี้เองก็เห็นการเกิดดับแล้วอันนี้หมายความว่าเราเป็นผู้สร้างและเราเป็นผู้รู้แล้วก็เป็นผู้เห็นขบวนการแล้วใส่เจตนาลงไปว่ามันมีหักมีบมบาอย่างนี้มากไหมมากมาแล้วรู้สะกี่ครั้งที่ชัดๆอย่างนี้ <laughs> น้อยครั้งน้อยนี่คือขอ้อบฟรฟ่ของเราเอง ฉะนั้นการตั้งอยู่ดับไปอย่างสมมติเรานั่งอย่างเงี้ยคือว่าขยับนิดห น, นึ่งก็มีความหมายแล้วใช่ไหมอันนี้มีความหมายในแง่ของก า, การศึกษาสัจธรรมแต่ในแง่ของภาษาชาวบ้านเรื่องไรสาระมเห็นมีความหมายอะไร <c oughs> ไปพูดถึงมันทําไมอะไรตรงเนี้ยใช่ไหมก็ไม่เห็นมันมีอะไรเออคุณพริกนี้เคุณพดี๋ยวฉันให้แสนหนึ่ก็ผมลองคุณพริกมาได้ไไดแน่นอนมันไปนน่นเลยนะเออมีความหมายแล้วตรงนั้นอมีความหมาย ถ้าคุณพิชังนี้ถูกต้องเนี่ยเที่เป๊ะเลยนะผมให้ไปแสนหนึ่ง เ, เป็นประเด็นขึ้นมาน่าสนใจทันทีเลยว่งแต่คุณจริงพอพิกอย่างนี้มันหายไปแนละ้วเห็นชาดิมันได้มากกว่าแสนหนึ่งแต่ทําไมเขาจึงไม่เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ได้ก็เพราะว่ามันไมไ่ตรงตามที่เขาต้องการที่จะมันไม่ถูกต้องตามตัณหาของเขานี่ยแหละนะเอาล่ะทีนี้เรามาดูว่าเราข้าดมานเรื่องของ อียบทสี่แล้วก็สัมปชัญญะแล้วข้ามไปแต่ความจริงมันข้ามจากอะไรมาเวลาเราสวดใช่ไหมะ ก, ะกะทันจะพิกเวภิกขุกายเยกายานุปสัสสิวิหารติพิสูจนทั้งหลายการพิจารณากายเห็นกายในกายเป็นอย่างไรเล่า อ, อีทะพิกเวภิกขุดูก่อนพิสูจนพิสูนในศาสนานี้ อ, อรัญญคดโวา ไปแล้วสู่ปาก็ตามลูกขามูระคตววาไปแล้วสู่คนไม้ก็ตามสุญญาคาระคต ว, วาไปแล้วสู่เลนว่างก็ตามนิสีทติบาลังกันอุปชิตตวานิสีทติบาลังกันหมายความว่านั่งคูเขานั่งคูขาเข้ามาเป็นบาลังขาเข้ามาโดยรอบนิสีทติบาลังกันุปชิตตวานะแล้วก็ บลิมุขังสติอุปเดเปวาแล้วตั้งตั้งสติอยู่เฉพาะหน้าจากนั้นโซสตูปัสสติสตูอัสสติมีสติตามรู้หายใจมีสติรู้สึกโซอัสสติสตูปัสสติเธอเป็นผู้มีสตินั้นเทียวขณะหายใจเข้า สบอสติเธอมีเป็นผู้มีสตินั่เทียวขณะหายใจออกคือตามรู้ลมหายใจนั่นเองอันนี้มันเริ่มต้นตรงนี้นะทีคําว่าอาสสะสั้นตที่คังอาสสะมีติปัญชานติเมื่อหายใจเข้าหรือก็ให้รู้ชัดๆว่าหายใจเข้าลึกประสั้นตัวประสะสะที่คําว่าอาสสะสั้นตที่คังปะสะสะมีติปัญชานติเมื่อหายใจออกยาวก็ให้รู้ย่างยาดคุณนๆไหเสียงอย่างนี้ เสียงใครเสียง s k t เย้ไหม s <laughs> k <HK> t s <laughs> k t ทำไมไม่นำมาย้ำอีกเพราะมันมีอยู่แล้วใน YouTube เอามาไ ม, ม, ม่ต้องมาย้ำคุณอยากจ ะ, ะศึกษา HKT เพื่อเปิดใน YouTube s k t แบบสมุตที่บอก k t นะเหมือนทู่มันคุณเพชรเนะี่ยตั้งใจทำจริงจังใช่ไหมแล้วปรากฏว่าได้ผลดีใช่ไหม <ทำ S 1> นั่ น, นเห็นไหมเนี่ยมันจะต้องมีคนเอาอ่ะไม่ใช่วอามาสอนแล้วมันจะร้ผลนะ แล้วคุณเปิ้อนก็รายงานว่าทาทุกวันเหมือนกันเห็นคุณเปื่อนหน้าใสเฉเดียวเออใช่คุณต้องทําทุกวันแน่วันนี้คุณอาจารย์ปุ๊กนะอาจารย์อะไรนะวรุณีเนาะมาหนูก็ทําทุกวันเหมือนกันเลแข็งแรงดีมากเลยมงั้นดีกว่าทุกอย่างการพ่อวัดดีก็่ทังดีอเอาไปแจกเขาด้วยนะเออหนูก็สอนน้องๆไปด้วยว่างั้นเออเห็นไหมแฟนอาจารย์แม่นที่มาวันนี้ หน้าตาสุดใสแ ล, แล้วก็วัยอายุหกสิบป่าแล้วนะะใครจะไปรู้ว่าเธออายุหกสิบป่านั่นได้ผลนะทำแล้วได้ผลเพรฉะนั้นต้องมีคนเอาบ้างที่นำเสนอนะอย่างน้อยก็เอ t เคคุณเพชรเอาไปทำจริงจังใช่ไหมเครดิตสามอีะเแค่สามเอเหรอเจ็ไม่ทำหนึ่งไม่ทำาโอ้หลวพ่อหนึ่งหนึ่งก็ทำสามก็ทำเจ็ดก็ทำบางครั้งสี่ด้วย เอ็เคีสี่ทำไงชุดนี้มนานเรียกยังวัฒภาธมเนาะเอเคเดินช้าๆใช่ไหมเดินตามลมหายใจนะเพราะฉะนั้นเทคนิคเดี๋ยวนี้เขาก็มาประยุกต์อนาปนานสติเนี่ยมันน่าทำขึ้นนั่งสูบพรดลมหายใจใครจะสักพักก็เลิกละน่าเบือ่อแต่พอมาทำเป็นทฤษฎีทำเป็นวิธีการแล้วอาจารย์สมพรอธิบายได้ละเอียดมากเนาะ เกี่ยวกับประโยชน์อันนี้สงันเกิดเคมีตัวไหนทำให้เป็นสมาธิอย่างไรสมาธิทำให้เกิดขึ้นสมองอย่างไรขึ้นสมองทำให้เกิดตัวคิดอย่างไรอธิบายเรื่องอนาคตาาสติแบบ s k t ได้ละเอียดมากเพราะฉะนั้นใครอยากจะศึกษารละเอียดไปพิมพ์ว่าสมาธิบาบัดแบบ s k t กดกดยูทูบมาพลึบเลยเดี๋ยวนี้มีออกมาเป็นเวอร์ชันใหม่ๆมนะนมาก็ยังไม่มีเวลาดู ดังนั้นก็อยากจะให้ไปศึกษาเรื่องนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เราศึกษาพุทธธรรมหรือเรื่องสติภาวนาวิปัสนาเนี่ยเราจะเอาสูตรตาบาลีอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าเป็นภาษาเก่าแก่เราก็ต้องมาฟังที่เขาอธิบายเป็นภาษาปัจจุบันว่าอย่างไรประกอบกันเข้าไปนะอะไรก็ตามที่เราหวังความก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เราทําอยู่เราต้องหารายละเอียดประกอบ ไม่ใช่ความรู้ที่อยู่แต่หนังสือและที่ที่ครูบาอาจารย์นำเสนอเท่านั้นไม่ใช่แต่มันจะต้องมีอะไรละเอียดลึกกว่านนะั้นเดี๋ยวนี้เป็นเป็นยุคสมัยที่ไอทีเนี่ยก้าวหน้าเพราะนั้นเราต้องการรู้อะไรเนี่ยเข้าไปใน YouTube เข้าไปใน Google เข้าไปในเว็บไซต์เจอหมดนะเะนั้นเองมันก็จะไม่มีอะไรยากสำหรับดีนี้ถ้าเรามีฉันทักนะที่จะศึกษาแต่บางครั้งเราก็มีการงานเรื่องธ ร, รมาหากิน มากเกินไปไม่มีเวลาจะมาใส่ใจเรื่องหล่านี้ตื่นมาป๊อกรีบไปอาบนะ้าอาบท่าแม้แต่ข้าวยังไม่ได้ทานไปทานที่ไหนไปทานที่ทํางานมินเงนก็รถติดก็ทานในรถอย่างเี้ยไปเดินนะมันไม่มีเวลาเอาเลยนะนี่คือในยุคสมัยของเรานะแต่เป็นเป็นพระอย่างหลวงพ่ออย่างอาตมาอนนี้ก็มีเวลาหน่อยนะตรงที่ว่าได้ทําคือหมายควาว่างานบางอย่างทําก็ได้ไม่ทําก็ได้แต่โยมยมันต้องทําใช่ไหม ไม่ทําไปไงเด๋ยวนี้ไม่มีเงินจ่ายบิลบิลค่ารถค่าบ้านค่าน้ําค่าไฟค่าข้าวปาอาหารค่าเทอมลูกค่าสารพัดอะมันจําเป็นนะและนั้นเองอันนี้คือยุคสมัยของเราเที่ยวมันยากมันย า, ยากอย่างนี้เพราะเราจะมีเวลาน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะคนมันเพิ่มจํานวนเยอะขึ้นแต่คนมีความรู้ความสามารถก็ต้องช่วยคนที่ไร้ความสามารถซึ่งมีเยอะขึ้นด้วยนะ ไปติดคุกบ้างไปติดยาบ้างไปป่วยบ้างไปพิการบ้างถ้าเหลือเราคนดีดปกติหางเงินได้เมื่อไหร่ทำงานกันหนักมันต้องไปช่วพวกนั้นด้วยนะนะไปช่วพวกนั้นด้วยดังนั้นเองอันนี้คือความยากในยุคสมัยเมืคุคนดีทั้งหลายเนะขาเรีเ ย, เเรยกว่าเทวดาร้องไห้ยุคเทวดาร้องไห้เขาเรียกว่าเมื่อก่อนว่าแผ่นดินร้องไห้ใช่ไหมเทโลนีการแสง แต่เดี๋ยวนี้เป็นเทวดาร้องไห้ยุบเทวดาร้องไห้คือคนดีทั้งหลายเป็นทุกข์ก็เรียกว่าเทวดาร้องไ ห, ห้เราทั้งหลายก็ตั้งก็เป็นคนดีนะอันนั้นก็เป็นทุกข์ทีนี้เรามาดูว่าเมื่อหายใจเข้ายาวหายใจออกสั้นมันมันดีอย่างไรเนี่ยอันนี้รายละเอียดว่ากันมาหลายคอร์สเกี่ยวกับเรื่องการทํำ HKT แต่เอามาก็มาประยุกต์ตอนออกกําลังกายอแล้วก็ที่ ที่ทำประจำก็ xkt สก็คือทำไง xkt สานั่งเหยียดขาใช่ไหมลูกขาขึ้นขาลงถึงเพราะว่า xkt 7เนี่ยน่าทำมากกว่า xkt เก็คือการมือเข้ามือออกแล้วก็ xkt สคือการตามลมหายใจดังนั้นอันนี้แล้วแต่ใครจ ะ, ะรักตัวเองมากน้อยเท่าไหร่ก็ย่อมขนขวายมีสิ่งที่ดีให้กับตัวเอง แต่ทีนี้หลวงพ่อจะอธิบายในแง่ของว่าตัวอาณาปานสติเนี่ยทำไมท่านจึงให้ความสำคัญเพราะว่าตัวธาตุลมเนี่ยมันเป็นธาตุที่รวมยอดดินน้ำไฟเข้ามาด้วยกันมันกลายเป็นอารมณ์ลมและลมตัวนี้มันก็จะไปสร้างอางกาศอากาศตัวนี้ก็จะไปสร้างวิญญาณนะ คือไปสร้างตัวรู้เพราะฉะนั้นในธาตุสี่ตัวนี้ธาตุทั้งสีตัวเนี่ยเมื่อทำงานสมดุลแล้วมันก็จะออกมาเป็นตัวที่เป็นอากาศแต่ในธาตุลมเนี่ยมันเกิดการทำงานระหว่างธาตุดินกับธาตุน้ำธาตุดินกับธาตุน้ำทำงานสมดุลกันแล้วลมมันก็เกิดพอลมมันเกิดปั๊บมันก็เกิดออกซิเจนออกซิเจนเกิดปั๊บมันก็เกิด ตัวพลังงานขึ้นมาและพลังงานในส่วนที่เป็นรูปก็คือพลังงานตการ์ที่ทําให้โลกมันหมุนได้อะไรเคลื่อนไหวได้อะไรเติบโตได้ยและพลังงานที่เป็นนามก็ให้เกิดตัวรู้ขึ้นมาเรียกว่าวิญญาณเดี๋ยวพลังรู้คือวิญญา ณ, เ, าญญาณเพราะฉะนั้นพอธาตุสี่ทำงานได้ครบก็เกิดอากาศธาตุอากาศธาตุจึงเป็นตัวเชื่อมระหว่างธาตุสีกับวิญญาณธาตุเข้าด้วยกัน วิญญาณธาตุทั้งหมดมีหใช่ไหมธาตุสี่ดิน้ำลมไฟแล้วก็อากาศธาตุวิญญาณธาตุเป็นหดังนั้นเราก็จึงมากำหนดรู้สำหรับบางคนเกจิอาจารย์บางท่านที่มีกำลังของสติสัมยะสูงเนี่ยสามารถใช้อานาปนานสติตามลมหายใจเข้าออกได้ต่อเนื่อง คำว่ามีสติสัมปชัญญะท่านทําได้ตลอดเวลาใครที่เคยธรรมนาปานาสติมา่ก่อนยกมือขึ้นในรูปแบบไหนบ้างหนึ่งอนัปปานาสติแบบผู้โทรสองอ น, ปนัปปานสติแบบหนอะสามอนัปปานาสติแบบสัมมาหังสี่อนัปปานาสติแบบนับลมหายใจใช่ไหมแต่ที่พวกเราทำในส่วนใหญ่เป็นของอะไร โทรกับหนอ่อยใช่ไหมแต่ว่าก็ไม่ใช่เป็นอานาปนาสติโดยตรงใช่ไหมเป็นบริกรรมแต่อนาปนาสติโดยตรงนั้นก็คือในบทส่วนว่าโซสโตอัสสติส ต, ส, สตูปสติทีคังว่าอัสสะสันโตทีคังอัสสะสมิะาาติปัจจานติระสังว่าอัสสะสันโดระสังอัสสะสปัจจานมิติปัจจานอยู่แค่นี้บอกว่า พิสูจหายใจเข้าก็รู้หายใจเข้าหายใจออกก็ให้รู้หายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็ให้รู้หายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็ให้รู้ใจเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้หายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็ให้รู้หายใจออกสั้นแค่นี้เองตามสูตรมันนะแต่จะไม่มีคําว่าพุทโธสมหังหนอในนั่นเลยนั้นที่เราไปทําพุทโธหนอสมหังก็ไม่ใช่ตามอานาปนสติตัวนี้เพราะตัวนั้นเขาให้หายใจรู้หายใจเฉยๆอ่ะ รู้สัน่นรู้ยารู้เข้ารู้ออกเท่านั้นเองโดยที่ไม่มีบริกรรมเพราะฉะนั้นสิ่งแล้วว่าทําพุโทโธทําหนอนับเนี่ยก็ยังไม่ใช่อนาปนาสติโดยตรงแต่อนาปนาสติโดยตรงมันน่าจะเป็นเอสเคทีมากกว่าเพราะเราไม่มีบริกรรมใช่ไหมแต่ที่เอามาสนใจเพราะอะไรเพราะมันมารูปกระบวการเคลืกก่อ น, นไหวหายใจเข้าเอาลงในหายใจเข้าหรือออกหายใจเข้าใช่ไหมขึ้นหายใจออกเนี่ย เขาเรียกว่าหายใจลักษณะไมโครเซลเขาวา่างนั้นนะไมโครเซลมายถึงหายใจเข้าในได้ แ, แทนที่จะ อ, ออกแทนที่เอาลงหายใจออกเอาขึ้นหายใจเข้าเนี่ยเขากลับย้อนสอนเอาลงหายใจเข้าเอาขึ้นหายใจออกอันนี้ก็เป็นฝั่งทฤษฎีเขาดังนั้นในวิธีการของนพเทียนเคลื่อนไหวเนี่ยลมถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะมันเป็นรูปรูปเคลื่อนไหวคือรูปของลมเข้าออก พอเราไม่ได้ใช้บริกรรมเข้าไปเรารู้ลมเฉยๆรู้ลมเข้าลมออกเฉยๆแล้วก็มารู้ท่าลมคือการเคลื่อนไหวทั้งหมดของร่างกายยกมือนี้เป็นท่าอะไรท่าลมใช่ไหมถ้าคุณมาหายใจยกมือขึ้นไหมแค่ว่ามาหายใจแค่สรุปอะใช่ไหมแค่หายใจแผ่วยกมือขึ้นลนะนะเพราะฉะนั้นก็คืออันนี้ก็คือทักท่านลมล้วก็เปลี่ยนการหายใจมาเป็นการยกมือเสีย มาก็เลย <c oughs> บอกสำหรับคนที่ติดลมหายใจว่าคุณก็สมมติมใหม่สิเวลาหายใจเข้าก็คือนี่หายใจเข้ามันก็เข้ามานี้ใช่ไหมเวลาหายใจออกคุณก็ น, นี่คือหายใจออกแล้วก็ไม่ต้องอสิงครไน์กับลมหายใจตัวนี้หมายความว่าบางคนต่างทางานหายใจแบบปล่อยฟรีๆแต่ตัวนี้ก็คือตามรู้แต่ตัวนี้อันนี้คือลมหายใจเราดูลมหายใจเข้าก็บออกจมูกกับดู มือเคลื่อนไหวแทนลมหายใจเนี่ยอันไหนง่ายกว่าอันไหนชัดกว่า<ม>ก็ต้องดูมือใช่ไหมเพราะนั้นเราจะบอกว่าเราปฏิบัติแบบไม่ใช่อนาปานี้ไม่ได้แต่เราใช้อนาป่าแบบที่เป็นอะไรเป็นรูปธปรรมนะฮะเราใช้มือแทนใช่นะเห็นไหมอันนี้เราใช้ธาตุของลมแต่เราไม่ใช่ตัวลมใครเห็นมึงตัวลมนะ่ะมีแต่ได้กลิ่นใช่ไหมเคยได้กลิ่นลมไหมอะไรไม่เคย โดนทุกวันนี่วาไม่เคยแค่กินทุเรียนก็แย่อยู่แล้วใช่ไหมแค่กิ่นปลารานี่ก็แย่แล้วนี่ก็แคเกิกระทันลมนะดังนั้นเราจะเห็นว่าวิธีการปฏิบัติก็คือแค่สูดลมหายใจเข้าออกโดยตรงอันนั้นก็ได้แล้วการเคลื่อนไหวไปมาตามรู้อันนี้ก็คือตามลมก็เป็นอนาปนาสติก็ได้แต่เราเอามาใช้ว่า สัมปชัญญกาลีคือเป็นอ e ีบทย่อยอันหนึ่งดังนั้นพอเรามาทำสัมปชาสัมปชัญญประภะมันก็ผนวกหรือว่าผนวกธาตุลมเข้าไปด้วยเขาะอินคลูสเอาตัวธาตุลมเนี่ยเข้าไปในนั้นด้วยในเรื่องของอ e ีบทย่อยนะ <S 2> <S 2> <S แต่ว่าถ้าที่ขยายความต่อมาอามาไม่แน่ใจว่ามันเป็นของเก่าหรือเปล่าขยายความต่อมาว่า ของเกาของเก่ามีสี่ใช่ไหมหายใจเข้าพายใออกสั้นยาวแค่นั้นเองมีแค่สี่นี่ของเก่าเดิมเลยนะแต่พอมาเปลี่ยนต่อมาบอกว่าสภากายะปฏิสังววทีอัสัสาส่ามิติปัญชานาติสภากายะปฏิสังเวที ป, ป, ป, ป, ป, ปสัสสมัมาติปรญชานติปัสสะปัญกายะสร้างขังอัสสซ่ามีติปชานติเอชักไม่แน่ใจว่าเพ่อพึงศึกษาว่าตามรู้กายทั้งปวงและหายใจเข้า เพอพึงศึกษาว่าตามรู้กายทั้งหมดหายใจออกอันนี้คือมาตามรู้กายแล้วหายใจเข้าหายใจออกก็มาพิจารณาไอ้มันสัมพันธ์กัตรงไห น, นหายใจเข้าแล้วตามรู้กายอ๋อเวลาหายใจเข้ากายมันโยกใช่ไหมมันตึงมันหย่อนใช่เวลาหายใจเข้ามันมีการระับการพองอการขึ้นการลงอันนี้ดูลมหายใจถ้าจะนับหนอเข้าในอนาปนาสิก็เริ่มต้นตรงนี้ เริ่มต้นตรงที่ว่าสาภาพกายอย่าปฏิสังเวทีเพื่อพึงศึกษาว่ารู้เฉพาะซึ่งการทั้งปวงขณะหายใจเข้าเธอพึงศึกษาว่ารู้เฉพาะซึ่งการทั้งปวงขณะหายใจออก ห, หายใจเข้ากับหายใจออกรู้กายทั้งหมดเลยเอรู้ทั้งหมดรู้ยังไงคุณนพสิทธิ์ ต, ตวพพรตวจเทอาพร้อมนะรู้ทั้งหมดเลยนะ เย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงเื่อนมาจากธาตุลมใช่ไหมถ้าเราไม่หายใจเข้ามาหายใจออกอาการดอนนี่มีไหมเย็นด้อนอ่อนแข้งเข่งตึงมีไหมไม่หายใจเข้าไม่หายใจเราไม่ได้ตามรู้หายใจเข้าออกมันเดิมแต่เราไม่ได้ตามรู้แต่เรามาตามรู้อาการของของกายเลยได้ไหมอ้าวทำไมไม่ทราบมันเป็นอาการของลมทั้งนั้นน่ะตามไม่ทันครับไม่ตามไม่ทันตามไม่ันทำทา อ๋อพ่อไหวเป็นหน่อยเนาะทานทา น, ทานว่าถ้าเราหายใจเข้าออกโดยที่ไม่ต้องโดยที่ตามรู้กายทั้งปวงเนี่ยได้ไหมนี่ไงนะคำถามแต่ในสูตรบอกว่าต้องตามถนะดลมหายใจเข้าออกแล้วถึงจะรู้กายทั้งหมดแต่ความจริงพ่อกรถามว่าจำเป็นไหมว่า ขณะที่เรารู้กายทั้งหมดได้โดยที่ไม่ต้องไปตามรุ่นลมหายใจเป็นไปได้ไหมรู้ได้ไหมอ๋ออันนี้ c o n f u s อยู่นิดหน่อย <laughs> confusion นะะเพราะฉะนั้นกอ็อันนี้ลึลกๆลงในรายละเอียดนะแต่ทีนี้เมื่อตามลมหายใจทั้งปวงขอเพื่ออะไรต้องถามว่าเพื่ออะไรข้อต่อมาเขาก็ไข่บอกปสัมพยังกาอยะกสร้งางพลังอัสสัชมีตริปรทํา เพอเพื่อพึงศึกษาว่าทํากายสังขารให้สงบระงับอยู่หายใจขณะหายใจเข้าทํากายสังขารเนาะกายสังขารทั้งหมดคือเย็นดอนอ่อนแข็งเท่งตึงอะไรต่างๆเนี่ยเป็นสังขารเป็นกายอะไสังขารแล้วทําให้มันสงบระงับเรานั่งอยู่นี่สมมติว่ามันหนักเงี้ยเราจะนึกว่าให้มันสงบระงับมันจะสงบระงับไหมไอ้ความรู้สึกหนักเนี่ยมันจะสงบได้มไหมทำไงให้มันสงบ ก็ปรับเปลี่ยนแท่นั้นเองเนี่ยนั่นแหละท่านบอกคือทํากายสังขารในสมคือปรับเปลี่ยนอิเยบทท่านก็บอกนะประสัมพย า, ยามกายะสังข า, ารังอัสสะมิติปสานิหายใจเข้าทํากายสังขารใ้สงบระงรับหายใจออกทํากายสังขารในสมทําอาการของกายที่มันไม่พึงปรารถนานเนี่ยให้มันสงบระงรับทําความปวดความเมื่อยความไม่สบายกายให้มันสงบระงรับ เราจะนึกเอาคําว่าทำเนี่ยนึกเอาไหมไม่ใช่จะเป็นการทําลงไปด้วยการปรับเปลี่ยนขึ้นไหวใช่ไหมให้มันเกิดการไหลเวียนที่ดีเนี่ยอันนี้ชุดต่อมานะต่อมาท่านก็บอกว่าสุขะปฏิสั่งเวทีอาสิสามิติประชานาติสุขะปฏิสังเวทีอาสัสิสามิติสิกติพึงศึกษาว่าเธอเพิงรู้ รู้ตามรู้เฉพาะซึ่งสุขขณะหายใจเข้าขณะหายใจออกขณะที่เราปรับเปลี่ยนเอาเอาความไม่สบายออกร่างกาย ร, รู้สึกเป็นสบายใช่ไหมก็ตามรู้ความสบายนั้นด้วยคือความสุขสุขะปฏิสังเวีนีตามรู้ซึ่งสุขขณะหายใจเข้าหายใจออกก็แน่นอนพอเราเราสบงบระงับการปรับเปลี่ยนก็ความปวดความเมื่อยแต่ถ้าสมมุติอากาศมันอับอ้าวเราร้อนมากๆเนี่ยเราพลิกไปพลิกมาความเราร้อนนี้มันจะคลายไปไหม ที่จะทำให้สมุกสังขารสงบไอ้ตัวเราร้อนให้สมุบระงับได้อย่างไรเออถ้าบอกว่ามันปวดมั น, นหนักเนี้ยพอเราคลิกขยับมันก็<ะ>หล บ, <ะ>บลมฮะฮะบลบยังไงอ่คล้ายๆว่ายังยังอย่างอย่า ง, ง, ง, งผมที่ฝึกฮะผมสามารถสูรลมหายใจจากเท้าขึ้นไปถึงหัวแ ล, วแลว้วแล้วพอถึงหัวแล้วปล่อยมันเต็มที่ถึงว่าที่ หัวถึงไม่มีผมเลยโลกมันขึ้นเยอะเกินไปขอโทษแยานนะแต่คนจริงแล้วเนี่ยอันนั้นเป็นความสามารถที่เศษเฉพาะตัวทำไม่ได้ทุกคนหรอกแต่ถ้าจะให้ทุกคนทำได้ทำยังไงให้ความอบอ้าวขล้เราร้อนมันมันรา ง, งัดลงเี่ยทำาไงคุณพันศาไม่ไม่น่าตอบยากเลยนะแบบนี้ไม่เปิดแอร์ให้เลยวัหนหลังนะ ลุกก็ไปปวดอแล้วปวดพรลมก็หมดเรื่องอย่างนี้ไปพิจารณาอะไรมันยากเดี๋ยวก็เย็นก็อ๋อก็หมดเรื่องแค่นั้นนี่คือเอาใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยนะความอบอ้าวเราร้อนก็ลดลงทันทีใช่ไหมนี่แต่ยิ่งวิธีของโยมยิ่งยากโอโหไม่จะทำได้เนี่ยมันก็ต้องเป็นแบบโยมทุกคนไม่ไหวเนาะเพราะฉะนั้นถ้าหาว่าความสามารถพิเศษนี่ใช้มันเยอะเกินไปก็ไม่ไหวอนะมันหมดนะ มันหมดอะตอรตอนแก่มาไม่พอใช้เลยเดี๋นี้เพราะนั้นประหยัดมันไว้หน่อยทีนี้ในตัวท่านบอก่อมาว่ า, าปีติปฏิสั่งเวทีอาสิสัมิติสิกติปีติปฏิสังเวทีอาสิสามิติสิกติเธอเพิ่งศึกษาว่าให้ตามรู้เฉพาะซึ่งปีติขณะหายใจเข้าได้หายใจออก ตามรู้เฉพาะเมื่อมีสุขเราก็เรารู้สึกมีความเบิกบานใช่ไหมคือปิติอพอพลิกไปพลิกมาก็รู้สึกเออเบิกบานสบายสบายสบายกายละอันนี้ก็รู้อีกนะคนนี้เราสบายแล้วอย่าไปเสพความสบายอันนั้นอย่าไปเสพสุขให้รู้เฉยๆ น, นี่นนก็เนี้อเอาไว้อันนี้เรื่องของของกายจบแค่นี้เรื่องของกายนะ เรื่อของเวทนาสิใช่ไหม αι? สุขรู้กายทั้งหมดใช่ไหม αι? รู้กายทั้งหมดแล้วก็รู้สบายไม่สบายเป็นเรื่องของกายเนาะสี่ตัวนี่สี่ตัวแต่บอต่อมาท่านบอกว่าจิตตปฏิสั่งเวทีอาตสิสามีติสกติจิตตสังขาระปฏิสั่งเวทีอาต ส, สิสามี ต, ตสสมิให้พึงศึกษาว่าซึ่งการ รู้ซึ่งกาจิตตสังขารคืมมอหมาว่ารู้จิตตสังขารในขณะนี้เราคิดขณะนี้เราคิดเราปรุงแต่งอะไรไหมขณะหายใจเข้าออกเนี่ยเราคิดอะไรบ้างมั้ยมีความรู้สึกอะไรบ้างมั้ยรู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่พอใจรู้สึกชอบไม่ชอบรู้สึกคิดปรุงแต่งอดีตอนาคตามีไหมให้ตามรู้มันถ้าจิตมันว่างๆก็ให้รู้เ อ, อกขณะนี้นจิตว่างนะถ้าจิตมัน รู้สึกอย่างไรก็ให้ตามให้ดูให้ชัดๆตรงนี้เขาเรียกว่าศึกษ า, า, าศึกษาชัดๆณขณะนี้จิตเราเป็นยังไงอยู่ภาษาบอกตัวเองถูกไหมขณะนี้จิตเป็นยังไงเป็นยังไง ว, ว่างไม่ใช่สับสนนะ <laughs> ก็ให้รู้ว่าจิตว่างให้รู้ว่าจิตว่างๆโล่งๆไม่มีอะไรแต่รู้สึกตัวก็ให้รู้ขณะหายใจเข้าออกซึ่งดูแล้วมันไม่เกี่ยวข้องลยกัหายใจมาถึงบอกว่าตั้งแต่ตัวอ นี่มาเนี่ยตั้งแต่ตัวหลังเฉพาะลมหายใจสีข้อเบื้องต้นมานี่ปมาเลยไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นพุทธพจน์รหรือเปล่าเพราะดูแล้วมันไม่ค่อยเม็ซ์เซนอะไม่ค่อยสมเหตุสมผลเลยคือเรารู้แล้วเนี่ยจะไปตามลมหายใจหายใจข้อออกเป็นแล้วเดือัตโนมัติใช่ไหมเราไปเฉพาะไปตามรู้กายอ่าทั้งปวงเราตามรู้จิตทั้งปวงนี่มันก็มากพอแล้วถ้าไปตามรู้ลมหายใจอีกมันก็เยอะเกินไป ตัวนี้มาถึงบอกมันก็เห็นด้วยนะว่าพุริยถาตัดไว้พุทิยาตัดอะไรจะสมเหตุสมผลเสมอใช่ไหมเพราะฉะนั้นพระไตรปิฎกเรามีสังฆานามาหลายหลายครั้งสิบกว่าครั้งเนี่ยมันก็จะต้องมีความเห็นตรงนู้นตัวนี้แทรกเข้าไปแต่เราก็วินิจัยได้ว่าอือันนี้น่าจะใช่อันนี้ไม่น่าจะใช่นะทีนี้มาดูข้อต่อมาท่านใช้ว่าปัตสัมพยังจิตตะซังารังอาสัส ส, ส, ส, ส, าาสิสามีติเสกติปัตสัมพยังจิตตะซังารังอาสัสสิสามีติเสก มันมีสองคำเพราะจะใช้ว่าปัดสาสะกับอัดสาสะอัดสาธะนี่หายใจเข้าปัสสาธะนี่หายใจออกมันมีสองใช้ใช้สองคำแล้วขณะหายใจเข้าก็ให้รู้ว่าขณะนี้ไอจิตแตสังขารไม่มีนะจิตบว่าอยู่ก็ให้รู้หายใจเข้าเล้พิจารณาลงไปอีกขณะนี้จิตแตสังขารการปรุงแต่งเรื่องนู้เรื่องนี้ไม่มีนะก็หายใจออก มันซ้ําซ้อนนะใช่ไหมพอรู้มันไม่มีก็จบทําไมไปต้องว่าหายใจเข้ามาตรงนี้ทําไมมาสงสัยเนีนะทีนี้ต่อมาท่านบอกว่าจิตตะปนิสั่งเวทีนี้รู้จิตเฉยเฉยจิตตะปริสั่งเวทีอัสสัสสิสะมิะติสิกติว่าหายใจเข้าหายใจเให้รู้จิตเฉยเฉยว่าจิตมันเฉยเฉยจิตไม่มีอะไรก็ให้รู้ว่าจิตไม่มีอะไรจิตมันนิ่งนิ่งเพราจิตนิ่งนิงได้แล้วมันเกิดอะไรเกิดะอ่า ประโมดนะเกิดปีติเกิดปีติแล้วเกิดประประโมดประโมดประโมดทางจิตต์ังจิตตประโมดประโมดทางอาศิสารมิติสิขตินะเพราะจิตมีปีติประโมดทางกายนั้นมีปีติอสุกแล้วก็มาปีติแต่ในเรื่องจิตมันมีปีติแล้วก็มาประโมดนะมันใช้อย่างนั้นอันนี้เรื่องของจิตพอมาเป็นเรื่องของอารมณ์ มาเป็นเรื่องของอารมณ์ก็จะเป็นจิตอะไรอ่ะเออมาเป็นเรื่องของจิตก็มีความตั้งมั่นสมาทานังจิตตั้งอาศิสามิติสิกติจิตการพึความศึกษาว่ารู้เฉพาะซึ่งจิตตั้งมั่นขณะหายใจเข้าและออกจิตที่มันมีปีติมีประมุ่แล้วมันตั้งมั่นขณะให้จิตตั้งมั่นไม่วอกแวกไม่วันไวไม่ปรุงแต่งพรุงสร้างไมออ่คิดหน้าคิดหลัง เป็นสมาธิจิตก็ให้รู้ว่าเอขนาดนี้จิตเป็นสมาธิซึ่งบางครั้งมันก็บางครั้งมันละเอียด เ, เ, เกินความจําเป็นามาก็ตัดไปบางทีก็เมื่อค้าได้มาสวดมันมีทั้งสิบหกอย่างนะอเป็นฝ่ายกายทีสี่เวทนาทีสี่จิตทีสี่อารมณ์ทีสี่เป็นสิบหกสี่สี่สิบหกหรือว่าอากาปนานาสถิตสิบหกซึ่งส่วนโมกเขาค่อนข้างจะ ค่อนข้างจะยึดไปหลักในเรื่องนี้มากๆเลยนะมาวิเคราะห์วิจารณ์ร า, ายละเอยียดกันเยอะแม้แต่มาติดอารมณ์นิวรตอนนั้นเข้าไปถามหลวงพ่อพุทธทาสง่วงทุกวันหนึ่งพ่อผมจะแก้ ง, ง่าก็ไปดูอ น, น, มมนันตนาชาติสิบขั้นผมอธิบายว่านึงสื่อหลายเล่มเราโอ้ไม่รู้ผมไม่รู้มันจะอยู่เรื่องไหนหลวงพ่อผมไม่มีเวลาค้อขนนั้นหรอกแค่บอกผมว่า ทําย่างนี้หายง่วงก็จบผมไม่ต้องใหผมไม่อ่านหนังสือนะไอเราก็จะย้อนท่านอย่า ง, า น, างนี้ท่านเราเป็นคนตาดุเนาะเราไม่กล้าย้อนเหมือนกันน่ากลัวนะคุณท่านน mm. ั้นกจะเห็นว่าในอานาปนาสติทั้งหมดเนี่ยเอามาว่ามันละเอียดเกินจําเป็นอ่ะหลวงพ่อเทียนก็เห็นว่ามันละเอียดเกินจําเป็นท่านก็เลยทํามาทั้งอายุสิบเอถึงอายุสี่สิบหกอ่ะมันยังไม่ไปไหนเลยอ่ะทำตัวเนี่ย ท่านเคยบวชตั้งแต่เป็นเนนบวชเป็นพระซึ่งมาประกอบเป็นอาขุรหัตเป็นชาวบ้านจนร่ารวยแล้วก็ยังทําอยู่อย่างนั้นหลวงพ่อทำหนอทำทำหนอเนี่ยนะท่านก็ยังไม่ทิ้งแต่มันข้ามความโกรธไม่ได้ท่านเรเคยเล่าให้ฟังบ่อยๆล้วเช่อแม่ไปทอดกระถิ่นทั้งห้าวัดอะปีนั้นอ่ะกลับมาบ้านกลับมาทะเลาะกับภรรยาเฉยเลยแม่บ้านเขาไม่ทะเลาะด้วยนะ ไม่วันก็ Abi, เออหังสคุณพ่อก็ตกนรกอะไรทวกรถินว oh, <eeee> ัน oh, น so oh, um, ี้มาทางห้างของก็ตกนรกอีกมีอย่างที่ไหนวะกันโอ้โหท่านอึ้งเลยอ่ะไม่พูดเลยก็ได้อายอ้ปันญาปัญญาเย็นกว่าแต่ท่านยังร้อนเล่าร้อนอยู่เลยท่านบอกโอ้ท่าปฏิบัติมาทั้งอายุเป็นดีแล้วเดี๋ยวนี้อายุสีสิกฉันก็ยังเป็นอย่างนี้แล้วฉันจะเอาชนะมันได้ยังไงไอ้ความโกรธนั้นตัดสินใจเลยออกจากบ้าน ลาแม่บ้านบอเงั้นฉันไปขอทำภาระหน้าที่ดับความโกรธ ถ, ถ้าดับความโกรธไม่ได้ฉันจะไม่กลับบ้านฉันจะตายหน้าตายดับหน้าเอาขนาดนั้นเลยนะหายไปสามสี่เดือนกลับมาอีกทีนี่ก็ไม่สอนแม่บ้านการยก ม, มือนี่แหละการเคลื่อนไหวยก ม, มือนี่แหละรายละเอียดไม่ต้องพูดถึงนะยาวดังนั้นจะเห็นได้ว่า เฉพาะลมหายใจเนี่ยเราทำละเอียดขนาดไหนก็ตามนะถ้ามันข้ามนิวรณไม่ได้ถ้ามันข้ามโรกปวดหลงไม่ได้อานาปนสติก็ไม่ใช่กรรมฐานที่เราจะต้องทำเพราะว่ากำลังเราไม่พอ ม, มันละเอียดเกินไปนะละเอียดเกินไปแล้วหลวงพ่อท่านก็มาใช้ตัวอย่างที่เราพูดกันบ่อยๆนะคืออิริบทตสีกับอิริบุตรย่อยเข้ามาแทนซะ น่ยคือใช้อิบทตสี่ยืนเดินนั่งนอนกับอิบทตรเยที่สุดเพื่อไม่กี่จำได้ไหมคุณนพสิทธิ์จําได้สักหน่อยไหมอ้าวขึ้นเตือนวาไง ไ, anyway? ไม่ได้ละบาลีหลวงพ่อ <absorbing> ถูกกล่าวหาว่าจิตบาลีเพราะอะไรมันสวดทุกวันก็จําได้ทั้งเลื่องหมดแหละตรงไหนอย่างที่จําไม่ได้เ่สวดทุกวันแต่บางคนที่สวดทุกวันก็จำไม่ได้เหมือนกันนะเพราะอะไรเพราะไม่ได้กําหนดรู้อันนี้อันนี้สวดไปด้วยกำหนดรู้ไปด้วยก็จํา วานคุยกับพระจันรพง์มันไปติดคาถาหนึ่งว่าพูดถึงเรื่องการอุทานของพระพุทธเจ้าตอนที่ท่านเห็นรูปนามพระพุทธเจ้าอุทานสองครั้งตอนที่เห็นรูปนามอุทานครั้งหนึ่งแล้วตอนไปเห็นจิตเนี่ยท่านก็อุทานอีกครั้งหนึ่งเราก็เอามาเป็นคาถาสวดใชได่ไหมยังจําได้มหมยะทาหาเวปาตุภวันติธรรมาอาตาปิโนชายโต p a r าส a s a อัตสักขาอุปยัญติสภาประชานาเดชปชานาติเสหิตุธรรมังอ เมื่อใดเมื่อนักปฏิบัติบำเพ็ญเพ่งปฏิบัติกำลังปฏิบัติอยู่ทำไปเรื่อยๆเมื่อนั้นนักปฏิบัติคนนั้นย่อมหายสงสัยเพราะได้รู้รูปและนามเนะี่ยหายสงสัยเบื้องต้นเพราะรู้รูปนามนะประชานาติสเสหิตุธรรมังนะ เพราะได้เห็นรูปและนามและเห็นกายกับใจในหายสงสัยเบื้องต้นแล้วอันที่สองท่านก็บอกว่ายตโตขยันปัจญญานังอเวทีแต่เบื้องต้นมันเหมือนกันนะยะทาวะฮาเวปาตุพวันติธรรมาอาตาปิโนชายะตุภะมนัสะอัธสักการาวะปยติสภายตโตขยันปัจจญาหนังอเวทีเพราะได้เห็นการเกิดดับของจิตในขั้นที่สองได้เห็นการเกิดดับของจิตว่ามันเกิดยังไงแล้วมันดับยังไงนันะขั้นที่สาม อุทานขั้นที่สามฮั่นใช้กับวิทูปยังจําได้ละอาจารย์พงศ์วิทูปยังติดติ ด, ดมาลเสนัง <c oughs> สู้โรบาโอภาสยามตะลิกกันเมื่อวานพยายามนึกมันหายไปตัวหนึ่งนั่นอ๋อพิทูปยังติตดติมาลีเสนันว่าเมื่อใดอนักปฏิบัติทั้งหลายบาเพญเพียร เ, เพ่งอยูอ่เมื่อนั้นความสงสัยของ นักปฏิบัตินั้นย่อมหายไปเพราะสามารถทําลายมานและเสนามารจิตตั้งอยู่ได้วิทูพยังแปลว่าทํำลายติฏติตั้งอยู่ได้วิมาละเซนังวิวิทูติฐติมารแเซนสูโรวะโอภาสยะมนตริคติบางแห่งเขาว่าสุริโยบางเพ็งเล่มเก่าที่เขาว่าสู่โร อุปาสีมันตริกันติว่าทําไรข้าว่ามานแค่เสนามานคืออะไรคุณวิชัยหลวงพ่ออธิบายเรื่องนี้บ่อยมากเลยมานได้เสนามานคืออะไรข้คนเก่าได้อดปรึกษาไม่ได้ถือว่ารู้แล้วนะ <laughs> มานได้เสนามานบอกบ่อยบอกว่านี่วรห้าคือเสนามานใช่ไหมแล้วพญามานนะัน่ะก็มีห้าเหมือนกัน นักเรียนใหม่ว่าไงจําได้ยังอันนิวรณหา้าวันนี้ง่วงไหมวันนี้เบื่อไหมวันนี้ขี้เกียจไหมวันนี้ฟุ้งซ่านไหม ค, ครบเลยโอ้โห <c oughs> วันนี้เกว่าเสนาที่อีกนะอวันนี้ลังเลไหมเอ้ก็จะอยู่อยู่รอวันนี้คงเจ็ดวันเนี่ยผู้ทำท่าจะหาวิธีออกวัดอะไรแบบนี้ <c oughs> เห็นไหมเนี่ยแค่แค่เสนามันมาแย่เราก็จะ เออชักชักลังเลแล้วใช่มนนี่คือเสนามันนะธาตุตัวพยามันนะตัวพยามีอะไรบ้างหนึ่งกิเลสมาร์สองขันธมานสามเทวปุตตมารสี่อภิสังขละมานห้ามัจจุมาน์านใช่ไหมเนี่ยพยามของมันอย่าไปพูดถึงมันเลยนะเดี๋ยวมิวังได้ปลิวกันหมดโอ้โหขนาดเสนาคุยขนาดนี้พยามจะขนาดไหน มันจอกลัวนะเราจะจับจุดอ่อนมันได้เนี่ยเสยนาก็เสน า, าพยาก็พย า, พยาง่ายมากเลยจุดอ่อนมันอยู่ที่ไหนมันมานคือความมืดจุดอ่อนของความมืดอยู่ที่ไหนอความสว่างหาแสงสว่างเท่านั้นเองนะมันก็จบนี่เป็จุดอ่อนมันมม อ, อยู่สสเดนะีนั้ออ น, น, อ, น, นอะไรก็ตามที่มันได้เนี่ยหายจุดอ่อนมาให้เจอช้างตัว บ, บุรุบุรุษใช่ไหมแต่ว่าพอความมันจับจุดอ่อนได้ช้างก็ยอมเลย <c oughs> ใช่ไหมจุดอ่อนของช้างอยู่ที่ไหน เอออยู่ภาษาจุดอ่อนของช้างอยู่ที่ไหนเ <laughs> ออจะยึดที่ช้างที่แพลกมีช้างเยอะคงจะรู้จุดอ่อนของช้างอยู่ที่ไหน <laughs> ถ้าเราไม่มีขอเนี่ย <laughs> ม, <laughs> มีมีแต่ขอเนี่ย <laughs> จุดอ่อนรู้เท่าไหร่ก็ทำอะไรไม่ได้เพระาะฉะนั้นจุดอ่อนมันอยู่ที่ขออ <laughs> ขอเหล็กนั่นแหละ <laughs> ขอที่ไหนมันยอมเลยนะใช่ไหมเ <laughs> <laughs> นี่ยอ่อนมาอยู่ตรงนั้นนะ่ะขอเหล็กที่เขาใช้สั่หัวบนนะ่ะ อ่ตัวนั้นแหะมันกลัวตัวนั้นอย่างอื่นมันไม่กลัวแลก็มันก็มีใจส่อใจนองกันนะเพราะฉะนั้นก็ในตัวกิเลสก็มีจุดอ่อนเหมือนกันคือจุดอ่อนว่ามันมืดมันก็คือนั่นแหละเอาแสงสว่างเข้าไปคือจุดแข็งของมันนะดังนั้นแล้วก็เราตัวมืดเหมือนตัวไม่รู้ตัวลืมตัวหลงตัวเพลินตเนี้ยคือตัวมืดใช่ไหมตัวเสลือสลัว เราก็สร้างตัวชัดๆขึ้นมาท่านใช้สองสามคำนะคำที่หนึ่งใช่ว่าประชานาติรู้ชัดๆเนะีสว่างให้ชัดๆอันนี้ไฟฉายนะอันที่สองท่านใช้ว่าสัมปัญญากรีรู้ให้ทั่วนี่คือไฟดวงอย่างนี้เลยสว่างทั่วเลยอันที่สามสิกขติศึกษาเข้าไปอันนั้นเป็นเลเซอร์เลยศึกษานี่เป็นเลเซอร์เป็น เขาเรียกว่าไฟที่เขียวพิษเลยอ่ะเขาใช้เลเซอร์ผ่าตัดก็ได้นอ้อใช่ไหม อ, อันนั้นแหลมคมอ่ะแต่ทีนี้ที่แยกกิเลสออกจากจิตได้แยกความคิดออกจากจิตได้ไม่ว่าจะเป็นตัวมีดโกนเลเซอร์ระดับใดก็ตาม <c oughs> แม้แต่สติสัมยาอย่ยงอางออกยากท่านใช้คําว่าอยาญวิปัสนาหยาดตัวนั้นใช้ตัวนั้นมาตัดดาบคือวิปัสนาหยาด ใช้กี่เล่มผู้เชี่ยวใช้สามเล่มใช่ไหมแต่เกจีอาจารย์มาขยายใช้กี่เล่มเก้าเล่มบางสิบหกเล่มบางแต่ผุ้เชียวนั้นใช้สามเล่มเล่มที่หนึ่งตัดผาในระหว่างรูปนามออกจากกันใช้ปุเพนิวาสานุสติญาณอันที่สองผ่ากิเลสกับอวิชชาออกจากจิตใช้จูตูปปารติญาณอันที่สามผ่าอาสวะออกจากจิตใช้อาเซลขยญาญา ใช้แค่สามเล่มแค่นั้นนะมันยิ่งกว่าเลเซอร์เป็นเป็นเป็นซูเปอร์ชาร์ปเลยทีเดียวนะดังนั้นเองเราจะต้องเรียนยังไงให้ให้ตัวยานของเราเนะี่ยมีความคมกล้าพอที่จะผ่าตัวรูปนามเอออันนี้เป็นรูปนะอันนี้เป็นนามนะอันนี้รูปนามโดยสัญญาคือหมายถึงจำลักษณะอาการแล้วก็ค่อยแยกมันเอา เออความคิดนี่เป็นรูปนะไอ้ตัวรู้นี่เป็นนามนะเวลาความคิดมาเอาพยายามเอาลูกเขา้าพยายามช่างตัวรู้ชัดๆขึ้นมาลักษณะนี้ก็เรียกว่าผ่าเป็นคร่าวๆผ่าฟืน่ะถ้ามีดมันสมัยแต่มาเป็นเด็กผ่าฟืนนะมีดท่อนฟืนท่อนนึงใหญ่จะใช้ขวานเล็กๆ เ, เนี่ยโอ้โหทาไงผ่ามันทะลุไหมผ่าทีเดียวทะลุไหมไม่ทุลุยทําไงใช้ปัญญาช่วย เขสับหัวมันแยกแล้วใช่ไหมเอาลิ่มไม้นะอัดเข้าไปตีไม้ตีลิ่มไม้เข้าไปหลายๆลิ่มไม้ผ่าทะลุเลยอันนี้ก็ใช้ปัญญาช่วยเอาเหมือนกันถ้าหากว่าสติปัญญาเราน้อยแต่ว่ากิเลมันตัวใหญ่อาสวะมันตัวใหญ่ใช้วิธีตอกลิ่มบ่อยๆตอกเข้าไปตอกเข้าไปตอกเข้าไ ป, าไปใส่ตะลุกเข้าไปใส่ตะลุกเข้าไปใส่ตะลุกเข้าไปในที่สุดมันแยกออกจากกันนะเราก็ต้องใช้ลูกขยันเอาใช้ปัญญาใช้ลูกขยัน นะผ่าฟืนเนี่เหมือนกันผ่าไม้เนี่ยบางทีมีดเล็กๆไม่คุมเนี่ยมันไม่ทะลุเราก็ใช้ตีตีเข้าไปนะีนน้่ก็วิธีการอันเดียวกันในวิธีที่ขจัดกิเลสก็เหมือนกันเรารู้ว่าความคิดกับจิตเนี่ยมันแยกกันยา ก, ยากพอเผอิปปั้มก็คิดและ้เะเผอิปปั้มทีดแล้จะแยกให้มันเหลือจิตล้วนๆให้เหลือตัวรู้ล้วนๆแล้วก็ความคิดออกไปต่างหากเราจะเอาอะไรมาผ่ามันก็ต้องพยายามตอกย้ําตัวรู้เดี๋ยนี้ยบ่อยๆ ย้ำแล้วย้ำอีกตอกแล้วตอกอีกเขาใช้คำว่าใช้คำว่าทฤษฎีทำซ้ำซ้ำซ้ำใช้คำว่าทฤษฎีคุ่มองว่ารือทฤษฎีทำซ้ำ repetition repeat again and again ตอกย้ำแล้วย้ำอีกพระพุทธเจ้าเป็นใช้คาว่าสาตัดจาการีโนทำซ้ำอย่างต่อเนื่องทำซ้ำซ้ำทาซ้ําๆอย่างต่อเนื่องแล้วมันจะสามารถผ่าได้เอง ทีนี้บางอย่างมันไม่สามารถจะใช้ อ, อย่างเรานึกถึงผ้าผ่าฟืนผาผลไม้ผ่าอะไรเนี่ยนึกถึงมีดใช่ไหมถ้าเราจะพ่าน้าออกจากนมเร า, เอาอะไรผ่าแยกน้ำออกจากนมเราเอาอะไรแยกเอาความร้อนใช่ไหมเราจะแยกความดิบออกจากเนื้อเอาอะไรแยก แยกความขาวออกจากปลาเอาอะไรแยกอความร้อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นทึ่งส่วนใหญ่ใช้ความร้อนทั้งนั้นในแง่ของการแยกพุทธเจ้ามีใช้คำว่าอาตาปีแต่ถ้าหากแยกความร้อนแบบดูสีใช้ชานท่านใช้คำว่าตะบัดใช่ไหมตะโปขันติปรมังตะโปตีติค่าใช้ความอุดกลั้นสู้อ่าเป็นทําเป็นเครื่องเป็นตะบัดเครื่องเผา อ่าเผาความอ่าอะไรล่ะเผาความบกแวกกวนไหวของจิตออกไปคือกิเลสเนี่ยแต่พอมาาในสติปัฏฐานสี่ใช้ว่าอาตาปีท่านไม่ใช่ไม่ใช่คำว่าตะโปนะใช้อาตาปีคือใช้ความเพียรชนิดที่เผากิเลสได้แต่ไม่ข่มกิเลสตะโปนี่เป็นการข่มกิเลสใช้ความเพียรลักษณะของตะตะบะคือข่มกิเลสเขาเรียกบำเพ็ญพจนใช่ไหมคือข่มเกิดข่มข่มข่มขมเอาไว้ แต่พอมาใช้ความเพียรเครื่องเผากิเลนนั้นไม่ใช้ขมแต่ใช้สติมาสัมปชนันโอสัมปชั น, นสติมาคือใช้แสงสว่างของสติสัมปชัญญะและของปัญญาคือใช้ความร้อนของสติสัมปชัญญะเข้าไปแยกโดยที่จะไม่กดเอาไว้ถ้ากดเอาไว้เหมือนกับเราแยกน้ำนมกับน้ำออกจากกันก็ได้โดยที่ไม่ต้องผ่านการเชี่ยวไฟใช่ไหม แล้วก็สารส้มไปแกงน้งนํำนมมันก็ตกตะกอนล้วก็แยกน้ําออกมาได้แต่ว่ามันแยกไม่ได้หมดน้ํามันยังมีกลิ่นอยู่ใช่ไหมไม่สนิทเพราะฉนั้นอันนั้นวิธีสมถะคือใช้สารบางตัวเข้าไปแกงแล้วแม้แต่น้ํามันมะพร้าวเหมือนกันใช้สารบางตัวเข้าไปแกงก็เป็นคูลเพลสทแบบบีบเย็นได้เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นเพียงสมถะมันไม่มันยังมีน้ําปนอยู่เยอะ แต่วิธีความร้อนคือความเพียรที่เราทําเนี่ยโดยการใช้ตัวกําลังของร้อนของตัวรู้คือสติยเข้าไปเรื่อยๆมันก็แยกระหว่างตัวคิดกับตั ว, ต, ว, ต, วตัวรู้ออกจากกันได้ตัวคิดกับตัวรู้ออกจากกันได้นะหรือตัวคิดกับตัวจิตแยกจากกันได้เพอะแยกบ่อยเข้าบ่อยเข้าด้วยการทําจิตให้มันรู้หรือทําจิตให้มันนิ่ง ถ้าทําจิตให้นิ่งเนี่ยมันลักษณะคูเพลสคือใช้สารเข้าไปแต่ทําจิตให้มันรู้เหมือนกับใช้วิธีกลั่นพอกลั่นนี้ใช้ความรู้ใช้อใช้เพ่ง ด, ด้วยความรู้สึกตัวทั้งทั้งทั้งร่างกายอะ่ะใช้เวทนาในความรู้สึกตัวทั้งชัดทั้งหมดแต่ถ้าหากว่าใช้สมรรถคือเพ่งให้จิตมันนิ่งอันนี้ก็ไม่ขิดเหมือนกันใช่ไหม แต่ว่ามันสามารถเพ่งคิดให้สงบได้ตลอดไปไหมไม่ได้เพราะอะไรเพราะสติสัมงยะมันไม่ไม่ไม่พอมันเผลอใช่ไหมเพราะเผลอป้ามึงเข้าพราะกำลังสติสั่งยะไม่พอจิตนิ่งได้ไม่นานเพราะไม่มีตัวรักษาแต่พอเรามาใช้สัมปชัญญะเป็นตัวการใช้สติเป็นตัวรักษาใช้สัมปยะญญเป็นตัวเผามันก็เลยระวังซึ่งกันและกันก็สามารถที่จะแยก ระหว่างความคิดกับอาระมณ์ออจากกันได้นี่เห็นไหมถ้ารักษาอย่างนี้เอามาว่า m a k sense คือสมเหตุสมผลนะ่ะถ้าใช้อนาปานะสติสติแบบนี้นะโดยการใช้ตัวความรู้สึกที่ได้จากการเคลื่อนไหวเนี่ยรวมเข้ามารวมเข้ามารวมเข้ามาเรื่อยๆจะเคลื่อนไหวตรงไหนก็เก็บเก็บเก็บเก็บเก็บเลขประสมน้อยไปเรื่อยๆอันนี้นเราจะต้องไปรวบรวมโดยเฉพาะส่วนใหญ่ๆส่วนเล็กๆน้อยเราไม่ยอมเก็บเลยใช่ไหม สมว่าลูกเนี่ยไปลูกจะหนี้ไปเข้าห้องน้ําเนี่ยแล้วกลับมานั่งสั้นจะงหวะใหม่ถามว่าตั้งแต่เมื่อกี้ลูกไปกลับห้องน้ากลับมารู้สึกตัวว่าไหมไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวมารู้ตอนยกมืออีกครั้งหนึ่งเท่านั้นความจริงถ้ากําหนดรู้ตั้งแต่รู้สึกว่าเออปวดหนักปวดเบาอย่างนี้นะค่อยกำหนดรู้สึกแล้วก็ลูกไปก็ตามรู้ไปเข้าห้องน้ําไปอย่างไรก็กลับออกมามานั่นที่เดิมนี่เขาเรียกว่าถ้าเก็บแบบนี้มันจะได้ไวมันจะเต็มไว เก็บเล็กเก็บน้อยหั่นั้นตำนานเล่าขานว่าคนจีนเมื่อก่อนนะเนี่ยเามาจาัดวงจีนเข้ามาได้เสียผืนหมอนใบใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เขาอยู่อะไรอยู่ตึกแต่คนไทยสมัยก่อนเนอะพวกมีที่ดินคนละร้อยสองร้อยไร่กว่ า, นะาไว้ยเดี๋ยวนี้ขายหมดเลยนะเนอะเฟนนี่เขาต่างหากใบสนออยู่ในธนาคารหมดใช่ไหมเพราะอะไรเพราะเอาแต่ส่วนใหญ่ๆหญ่หากําไรไปเอาเงินหมืนม่นเงินแสนเลยทีเดียว แต่คนที่เขาเป็นนักนุนตรีเขาเก็บตั้งแต่ตั้งแต่สตังสองสตางไปใช่ไหมไหมเพราะฉะนั้นเหมือนกันการปฏิบัติทำกับถ้าเราเก็บเล็กเก็บน้อยไปในโอกาสที่จะเติบโตเนี่ยมันมีรากมันเหมือนรากฝอยมันเยอะแต่เรามุ่งเอาที่ส่วนใหญ่ๆโอ้ต้องตั้งใจบําเพ็ญเก็บอารมณ์ทีละหลายๆวันตั้งใจทําจริงทําจังแทะออกมาแล้วก็ใช้ชีวิตแบบปล่อยเลยโดยที่ไม่ยอมเก็บเลยนี่เรีวยกว่า เก็บน้นเท่าไหร่ก็ไม่เหลือเพราะว่ามันไม่มีฐานแต่พอเราเริ่มเก็บเล็กเก็บน้อยไปเนี่ยอเก็บโน่นเก็บนี่หายใจอปาปากภาพตาหายใจในในสมัชจรั บ, บพระที่สวดมาไม่เกี้มีทั้งห้าหอย่างเจ็ดอย่างอามานํามากล่าวตั้งหลายครั้งแล้วนะ่ะก็เน้นให้เอาไปทำมันนะอมาก็พยายามเก็บจากตัวนี้แหละเมื่อก่อนอมาก็โจนจนนะแต่หลังจากเก็บเล็กเก็บน้อยนะอี่นะเออ ทุกวันนี้เหลือเหลือใช้เหลือจ่ายแจกจ่ายมาไม่หมดทุทีนะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าเราเข้าใจหลักลักษณะแบบเราเก็บทรัพย์เก็บสินเก็บในเล็กเน้อยแล้วหมือนกับเามาเก็บเนื้อเก็บทัวเก็บไอริบทเล็กๆกน้อยอย่างนี้แล้วเนี่ยมันดูง่ายขึ้นเยอะเลยใช่ไหมยมพันศาแสดงว่าทําอยู่นะ ยังไม่เตรียมเลยแสดงว่าใช้เยอะเหมือนกันใช่ไหมเก็บเยอะก็ใช้เยอะเก็บได้เท่าไรใช้หมดเท่านั้นก็เท่ากับศูนย์เหมือนกันนะเอออย่างน้อยท่านบอกว่าเก็บร้อยก็จ่ายอย่างมากสกสามสี่พัพอเก็บไปสักเจ็ดสิบอันนี้เก็บไปสามสิบก็ทั้งยากนะบางทีติดลบก็มีอันนี้เวลาเก็บเยอะก็จ่ายกันเยอะติดลบนะท่านสร้างจังหวะชั่วโมงไปทางคิดได้สามชั่วโมงไม่มีเหลือเลยหมดเลยเนี่ย น, นี่ก็เลยใจเยอะเกินไปออาวันนี้ก่อนจบถามติดข้ามปัญหาอะไรบาคุณถามปัญหาเขาไงอพออย่างนี้ไว้เลี้นะการดูอนัตตามีสองลักษณะนะลักษณะดูอนัตตาแบบสมถะและดูอนัตตาแบบวิปัสนาเอออนัตตาแบบสมถะดูว่าร่างกายเนี่ยมันเป็นตัวเป็นตน ความจริงมันไม่ใช่มันคือร่างกายนี้ประกอบด้วยธาตุสีันหอาการสามสิบสองเป็นชิ้นเป็นส่วนเป็นอันเมื่อเอาร่างกายนี้มาแยกออกแล้วมันก็จะเป็นอาการสามสิสองและอาการสิสองแยกไปแล้วมันก็เป็นดินน้ำดวงไฟดินน้ำดลงไฟนี่มันก็สลายย่อยไปเป็นดินเป็นธาตุนี่ก็ดูแบบสมถะดูการสลายของรูปหยากรูปหยาบไปหาลูปละเอีอยดที่สุดเนะี่ย ซึ่งมันเป็นการคิดเอามันไม่ใช่สลายจริงอะ่ะค่ะแล้ววิตกวิจาร์เป็นการคิดใช่ไหมแล้วเป็นการอิมเมจขึ้นใช่ไหมมันไม่ใช่ของจริงมันได้จริงๆมันสลายแบบนั้นหรือเปล่าก็ไม่ใช่เป็นการสร้างจินตนาการเวลาเราอยากจะให้ได้กรรมฐานเพื่อจะเอามากดคมความกำลัดราคาของตัวเองแล้วก็พากันไปดูอะไร ไปดูศพบ้บางดูเขาผ่าตัดศพในโรงพยาบาลใช่ไหมที่หนักกว่านั้นก็จะเอาโครงกระดูกมาแขวนไว้ที่วัดเพื่อเพ่งพะจะิจารณาแล้วกิเลสมันลดลงบ้างไ้มภาพก็ยังสิคลนโครงโ ค, ค, ค, ครงมันนะปัญหาก็ยังเกิดขึ้นเหมือนเดิมมันเป็นมันไม่ใช่ของจริงอะ่ะมันเป็นการหลอกกิเลสเฉยแต่ไม่ใช่เป็นการทําลายกิเลสเป็นการหลอกกิเลสว่าเออเนี้นะ่ยขู่มันไว้แต่มันเคยกลัวไหม ก, กิเลสอะ่ะ ไม่กลัวนะคคุณจะพิจารณาไปแหลและเอียดขนาดไหนมันก็ยังรักยังชอบอยู่เนะี่ยเพราะสาเหตุมันอยู่ตรงนั้นนี่เขาเรียกว่าพิจารณาแบบสมถะมันไปตัดกิเลสเด็ขาดไม่ได้แต่ถ้าเราแปลที่พิจารณาแบบวิปัสนาแปลว่าบังคับบัญชาไม่ได้อ่าไม่อยู่ในอำนาจที่จะบังคับบัญชาได้นี่พิจารณาแบบวิปัสนาเมื่อ บังคับบัญชาไม่ได้เราก็มีวิธีที่จะบังคับบัญชาให้ได้มีวิธีอย่างไรเช่นอ่เรานั่งเงี้ยรู้สึกหนักไหลหนักเอวหนักจะพกมะหมลองนึกว่าไอ้เจ้าความหนักหน่วงนี่ต้องหายไปหายไปหายไปเนี่ยบังคับบัญชาแบบนี้มันจะหายได้ไห ม, ไมนี่บังคับบัญชาแบบนี้ไม่ถูกละเพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่ทางของมัน เราเข้า บ, บัญชาไม่ได้ทํามันหายไปทําไงก็ปรับเ ป, ปลีป่ยนแค่นั้นเองเนะก็ไม่ต้องมาเข้ามันก็เพียงแต่ว่าไม่ขวางทางอนิจจังอนัตตก็ก็สลายเมื่ออานัตตาสลายต้องมาเข้า บ, บัญชามันไหมไม่ต้องเราไปทําลายทีเ่เหตุเหตุของอนัตตาคืออนิจจังใช่ไหมเราประจักรไม่ขวางทางอนิจจังเสียอนันตตก็ไม่ปรากฏ อ่าตรงนั้นเหตุของมันคืออนิจจังเพราะอนิจจังมีสองแบบหนึ่งอนิจจังที่มันเป็นไปเองสองอนิจจังที่เราจัดการให้มันเป็นไปถ้าอนิจจังที่มันเป็นไปเองมันกลายเป็นอนัตตาแต่อนิจจังที่เราจัดการมันได้มันเป็นธรรมมันเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนเป็นอนัตตาเป็นปัญญาเข้าไปจัดการที่อนิจจังเพราะฉะนั้นเราถึงมีสติปัญญาบางเพ็ญสติเข้ามาเพื่อที่จะเปลี่ยนกดอนิจจัง ควบคุมกดอนิจจังให้ได้เช่นเรากลัวเจ็บเงี้ยเราก็ใช้สติศึกษาละใช่ไหมใช้ปัญญาศึกษาจะทำไงไม่ให้มันเจ็บก็มีวิธีป้องกันมีวิธีแทนที่จ ะ, ะความเจ็บมันเกิดจากที่ร่างกายอ่อนแอเกิดจากร่างกายไม่เข้มแข็งเกิดจากความประม า, มาทกเกิดจากโรคภัยแค่เจ็บแล้วทำไงให้ร่างกายมันเข้มไม่ให้มันเข้มแข็งแหละทำไงนี้เราไม่ประมาททาได้ใช่ไหม เราก็มาทำเหตุตัวนั้นซ ะ, อะพอทาเหตุตัวนั้นร่างกายมันก็เป็นไม่เป็นไปตามที่เป็นเองละเราจัดการให้มันเป็นเราก็ควบคุมร่างกายพอควบคุมร่างกายก็ควบคุมโรคได้ควบคุมความเจ็บได้นะเพราะฉะนั้นในพุทธศาสนาจึงต้องการพัฒนาตัวสติสัมยะและปัญญาให้มากที่สุดพุทธเจ้าสั่งว้ตั้งแต่แรกถึงสุดท้ายเลยนะ สุดท้ายท่าก็สั่งไว้บัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงร่างกายทั้งหลายมันมีการแตกตัดแต ก, แต ก, แตกสลายอยู่ตลอดเวลาท่านทั้งหลายจงเตรียมสติอ ป, ปมาเทนะสัมปาเทถะตรงนั้น่ะทําสติให้ถึงพร้อมตลอดเวลาทําปัญญาให้สมบูรณ์ได้ตลอดเวลานั่นคือวิธีการเอาชนะมันเมื่อมีสติปัญญาคือไปจัด ก, การที่ต้นเหตุใช่ไหมไปวิจี ก, การต้นเหตุพั๊บตัวเหตุของอนัตตาก็คือตัวอนิจจง เราควบคุมตัวอนิ้จังได้อนาตาก็ไม่เกิดนี่เป็นดูอนนาตาแบบวิปัสนาในฐานะที่จัดการได้แต่ถ้ารู้แบบสมถะมันจัดการไม่ได้อะมันต้องเป็นไปตามนั้นอันนั้นคือเรื่องของธรรมชาติไปนคอนโทรลไม่ได้ใช่ไหมแต่เรื่องนี้วิปัสนาพูดถึงเรื่องสภาวะจิตความเปลีป่ยนแปลงของจิตแล้วแก้ไขใช้ความรู้ใช้สติปัญญาเข้าไปแก้คุณอุปสิทธิ์เข้าใจที่ลูปุปวมเลยใช่ไหม งานนี้งานนี้ไม่ต้องมีสงสัยเลยละเมื่อเราเกิดปัญญาในรายละเอียดแบบนี้เราสามารถจะไปแก้ปัญหาในเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่บ้านเราได้ง่ายๆเลยเพราะไปแก้ที่เหเ็นนิดเดียวอย่างคุณนุบสิทธิ์แก่ใช่ไหมเออมันไม่ยากเลยแต่ว่าเราต้องได้ต้นตอของสติปัญญาตัวนี้เขาได้หัวเชื้อของปัญญาคือกลับมาพิจารณาในกายในใจของเรา ว่าอนิจจังทำงานยังไงทุกขังทำงานยังไงอนัตตาทำงานยังไรอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิจดจากอะไรนี่คอนเซปต์หลักมันตรงนี้เลยแล้วตัวอื่นเป็นผลพวงของอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นเป็นผลพวงของการเกิดดับเท่านั้นเมื่อเราจับหัวขบวนมันได้เนี่ยท้ายขาบวนมันไม่ไปไหนอะ่ะมันต้องไปตามนั้นตามที่เราต้องการนะดัง น, นั้นการปฏิบัตินั้นไม่ยากแต่มันยากตรงไหนรู้ไหมศรัทธาไม่พอ ความรักไม่พอความจริงใจไม่พอหลังเลนะแล้วก็เมื่อศรัทธาไม่พอความจริงใจไม่พอความเพียรเปไงอชักหย่อนนะชักไม่คงที่ชักไม่มั่นคงละเมื่อความเพียรหย่อนสติสมาธิปัญญาไปนไงก็คอยอ่อนไปตามด้วยนี่นีหนีสาเหตุของมันรักมันให้มาก อาจารย์โควิดเนี่ยพูดคุณต้องเพิ่มความรักให้มากกว่านี้ความรักของคุณน้อยเกินไปตันหาของคุณน้อยเกินไปคุณต้องเพิ่มตันหาบ้างมันฟุ้งหน้ากลัวมากเลยเนี่ยมันพูดช็อกเราเลยเอเออคุณตันหาคุณน้อยไปคุณต้องเพิ่มตันหามากกว่านี้ความจริงมันก็คือเขาเพิ่มศรัทธานั่นเองนะแต่ท่านพูดให้หน้ากลัวท่านเองเพิ่มตันหาตันหาคุณน้อยไปถ้าจนหาคุณมากกว่านี้คุณหาเงินได้มากกว่านี้ใช่ไหมนี่คุณยังจนอยู่คุณตันหาคุณน้อยไปะ อันนี้ก็เป็นวิธีการใช้วาทะกรรมนะวาระกรรมให้ดูแล้วคนคนสนใจท่านนั่นเองแต่ท่านก็ไปตามแก้วเออตันหามันน้อยบพราะอะไรหา ม, มากเพราะอะไตันหาในทางดีเขาเรียกว่าศรัทธาศรัทธาในทางไม่ดีเขาเรียกว่าตันหานั่นเองมันเป็นภาษาเฉยๆตกลงว่าเข้าใจนะเข้าใจตรงกันนะคุณแม่สมนนี้คุณคุณนะคุณคุณนะ ก็เป็นนั้นว่าสิ่งที่แนะนำเรื่องของการใช้อนาปานาสติทั้งหมดก็น่าจะเป็นประโยชน์บ้างในเรื่องการใช้พิจนารณาธาตุลมไม่ใช่ตัวลมแลาพิจารณาว่าในอนาปานาสติที่ควรจะเป็นก็คือเป็นเรื่องของการใช้อิบทตและอิรีบทตย่อยแทนที่จะใช้ลมหายใจที่สรุปที่มันสรุปรวมลงมาตรงนี้นะ เพราะนั้นเราก็ดูท่าลมคือ ด, ดูการเคลื่อนไหวทั้งหมดอไม่ใช่ไปตามดูลมในรูปแบบต่างๆซึ่งมันไม่พอนะมันเป็นส่วนหนึ่งในร้อยส่วนพันส่วนแต่รู้ที่เดียวทั้งหมดทั้งร้อยส่วนพันส่วนแต่ในร้อยส่วนพันส่วนก็ยังเยอะเกินไปดูแล้วมันเหลือน้อยที่สุดก็เหลือแค่อะไรทางกายก็หนักเบาทางใจก็สบายใจไม่สบายใจชอบใจไม่ชอบใจดูแค่นั้นดูให้เยอะเข้ามานะไอ้ตัวรู้มันออกจาก สติประธานสี่ดินกายเวทนาจิตธรรมก็เยอะเกินไปย่อให้มันเลยแค่รู้สองรู้รู้กายรู้ใจก็พอละนะแต่ทำไมต้องขยายแผยแผ่ไปกว้างเกินไปเพื่อให้เห็นว่ามันมีนมที่ไปที่มานะมีที่ไปที่มาเป็นอย่างนี้นะเวลาเราไปทำเราก็จะมั่นใจว่าเออสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ผิดนะเพราะมันมีที่ไปที่มาอย่างนี้ถึงแม้ว่าเราดูทำน้อ ย, อยแต่มันมีพลังมาก ถ้าเรามีความมั่นใจแต่ถ้าเร า, เราทําด้วยความไม่มั่นใจไม่แต่รู้มากมายแล้วก็ใช้ไม่สําเร็จประโยชน์เพราะขาดความมั่นใจพอเรามีความมั่นใจในสิ่งง่ายๆโอ้มันทําง่ายขนาดนี้เลยมันก็ขยันทําทําซ้ําๆในสิ่งเนี้แต่จิตของเรามันก็ไม่ยอมเพราะจิตของเรามันตกอยู่อำ น, นาจของตัณหามันอยากจะรู้มากๆ ม, ม, มันจะเห็นมากๆ ม, มันจะได้มากๆ ถ้ามันมีแค่นี้มันก็แค่นี้เลยมันเป็นไปได้ยังไงมันก็จะไม่มั่นใจไม่ศรัทธาแต่ให้มั่นใจว่านนี้แหละทำมาก็อย่างนี้แหละเหมือนจะบอกว่าแกงทั้งหม้อจะสําเร็จได้สําเร็จด้วยการแค่คลุกน้องพริกอยู่กับพริกปอกๆไม่กี่ทีได้นั่นแหละคือขยันคลุกกับพริกบ่อยๆแกงทั้งหม้ออร่อยเหมือนกันนะครูแค่ยกมือประยกมือมาเลยนะจิตใจทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันจัดการได้สบายเลย ที่ห้วงพ่อใช้ก็ว่าพอเทียนใช้ก็อนเลยนะกุญแจใช่ไหมแค่นี้แค่หมุนกุญแจกลกเดียวเนี่ยทรับสมบัติในห้องกี่แสนกี่ล้านใช้ได้หมดเลยเออไม่น่าจะง่ายขนาดนั้นแค่หมุนกุญแจกลักเดียวนี่เห็นไหมอันนี้แค่ยกมือปปปปไปปอกไปแต่สามารถใช้อะยรทรัพย์เปิดคุ้มทรัพย์ในจิตใจออกมาได้หมดเลยนะแต่ขอให้ตั้งใจทาแล้วก็มั่นใจ อย่าไปร น, นเลยสงสัยส่วนทำไปแล้วมันมีอุปสรรคปัญหาอะไรมาในเสียมาทั้งหลายม า, า, ยมาทำไงก็แล้วแต่วิธีการเทคนิคของใครของมันหาวิธีเอาเองก็แล้วแต่แตหาวิธีไม่เจอก็รับกรรมไปก่อนตัวใครตัวมันเนี่แล้วก็นั้นนะก็ขออนุโมนาสาธุนะตั้งใจที่เราทั้งหลายจะศึกษาและเรียนรู้ให้ทะลุ ป, ปูป่โปงจนสามารถได้ยอดวิชาไปแก้ปัญหาจน หมดปัญหาด้วยกันทุกคนทุกท่านที่